ถ้าจะตัวคิดว่าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ถึงจะเป็นปัญหาแล้วนะคุยกับท่านเลยเออเข้าใจกันแล้วแล้วนะท่านก็บอกท่านไม่ได้สั่งสอนเลยนะว่าให้ไปทําความว่างท่านแค่บอกว่าให้ซ้อมปล่อยวางอนะสักวละห้านาทนะีซ้อมมันวละหนาทีไหมถึงทําใจสบายสบายดูร่างกายมันไปมันจะตายก็ให้มันตายไป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 ของนี่แหละครับนีสายโยมแหละเป็นอย่างนั้นแหละนี่จะตีกวามเข้าข้างกิเลสไปเรื่อยนี่เลยต้องเล่าให้ฟังนะไม่งั้นเดี๋ยวจะง ง, งว้าท่านกับหลวงพ่อไปสอนไม่เหมือนกันเลยท่านสอนแค่ว่าซ้อมวันละห้านาทีเวลาที่เหลือนะภาวนานะเนี่ยตรงที่ซ้อมหานาทีเนะนะีนะ่อย่างน้อยก็ได้สมถะได้สมถะ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 รู้อยู่กับปัจจุบันไปใจไปติดไปค้องอะไรก็ค่อยรู้ไปวันนี้เป็นอะไรแพ้อากาศซึมไปหมดแล้วถ้าอากาศมืดๆแล้วซึมพอจะพูดถึงเนื้อธรรมะก็เริ่มซึมได้ที่แล้วถ้าพูดเรื่องคนนู้นว่างนั้นคนนี้ว่างนี้ก็ค่อยตาโตเข้าหน้าฝน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 ก, การจราจรนะทั้งวันก็มีแต่เรื่องเครียดเครียดมันเป็นภาวะที่ยากลําบากของชีวิตคนในเมืองนะแต่ว่าเป็นภาวะที่ภาวนาง่ายถ้ารู้หลักของการภาวนาง่ายมากเลยถ้ามีสติตั้งแต่ตื่นนอนเครู้สึกตัวไปดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูไปเรื่อยๆเห็นมันทํางานไปมันไม่ใช่เราหรอก ถึงวันหนึ่งใจมันก็วางมันก็ปลาวางไปเป็นลำดับลําดับนะมีความสุขครฝึกก็เห็นโลกเป็นทุกข์นะเห็นขันเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ล้นลวนเลยแต่จิตมันพ้นทุกข์จิตมันมีความสุขมีความสุขล้นล้วนเลยกลับข้างกัน ยิ่งเห็นโลกเป็นทุกขนะ์ะเห็นการเห็นใจเป็นทุกข์มากเท่าไหร่นะจิตใจยิ่งมีความสุขเรียนพระละหันเนี่ยนะเวลาเห็นขันจนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่ใจของท่านมีแต่ความสุขอยู่อย่างนะั้นยังแกล้งขึ้นแกลงลงไม่ใช่ของจริงหรอกให้ทำใจให้ว่างเดิรนแบบพระลราหารันได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดก็กลมาติดอีก มีเข้ามีออกนะแบบกํากหนดลงไปปล่อยวางไปปั๊บบ้างเดี๋ยวก็ไปยึดมาอีกไปหยิบช่วยมาอีกนะไม่ใช่ของจริงเมื่อก่อนหลวงพ่อก็หัดภาวนานานนักหนาแล้วยี่สิบกว่าปีแตั้งแต่หลวงปู่เทศยังอยู่หลวงปู่ดุลสิ้นไปแล้วตอนนั้นภนะาวนาใจไ ม, ไม่จับอะไรเลยนะใจไม่จับ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 รู้สึกได้เลยอาการลิโกไม่มีเวลาแต่มีเห็นถึงจุดหนึ่งก็ถอยออกมาดูเหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่จนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ไปวัดสันติธรรมนะะนั้นไปสัมมนาที่เชียงใหม่กลางคืนกับคนอื่นเขากินเหล้าเข้าซองนะเรากลางคืนหนีไปวัดหนีไปตามวัด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 ลบเล้าใหญ่เลยคับไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยนะไปหาหน่อยนะโอ้พระนี้ยุ่งจัง <c oughs> เลยอไปก็ไปเก่งใจนะเนี่ยขึ้น <c oughs> ไปถึงนะท่านอยู่บนกุฏิกุฏิไม้อยู่ข้างหลังหลังวัดสองชั้นขึ้นไปถึงนะท่านไม่ได้อยู่ในห้องนะหนาวหนาวนะนะอุตสาห์มานั่งอยู่ที่ตัง จริงท่านมานอนรอคลุมโป่งอยู่แล้วขึ้นไปท่านก็ลุกขึ้นมานั่งนะพราห่มชีนหน้าเลยภาวนาไงอุย้ยวงนี้ดูฉันมันเลยไม่เคยรู้จักเลยนะดูเอาดูเอาลเล่าให้ท่านฟังนะภาวนานะจิตมันจะไหลเขไปจับอารมณ์เรารู้ทานเราไม่จับมันทวนเข้ามาห า, าธาตุรู้นะมาหาผู้รู้เราก็ไม่จับผู้รู้เช่น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 เขาเนออกใหม่เนี่ยหูตะอค อ, อกอ่ะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกท่านก็ถามอีกยังไงจะภาวนายังไงจะปฏิบัติยังไงอีกเราก็อ๋อท่านฟังไม่เข้าใจเรามีวิธีปฏิบัติที่ยอดเจ๋งเลยท่านยังไม่เข้าใจ <c oughs> เ, เล่าซ้ําอีกรอบหนึ่งพอ เ, เล่าซ้ําอีกรอบท่านตะค อ, อ, อกอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกโอ้เรารู้ขึ้นมาโอ้ไม่ใช่แล้ว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 ดูใจเราลดออกมานะใจเราโล่งเมื่อใจโล่งนะั้ท่านทดสอบหัวเลาะเลยนะหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่า่ยหัวเละ อ, อย่างเงี้ยท่านหัวเราะเราก็คลืามแล้วหัวเลาะตามท่านไปได้วยฮ่าฮ่าาบ้าง <_ hhh> ท่านหยุดกึกเลยหันมามองหน้าพอท่านหยุดเราก็หยุดกึกเลยอนะืของเราระบบของมเราเบรกของเราดีเราดูท่านปุ๊บก็ขาดเลยท่านบอกเออใช้ได้เนะี่ยเพิ่งจะชม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 ท่านสั่งไว้บอกว่าพันศาปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ที่นี่ที่นี้สั่งล่งน้ามว้แล้วสิบกว่าปีพวกนี้ก็มาดูนะมาดูแทนที่จะมาเรียนเราะงนอยู่กับครูบาอาจารย์นะทนเวลาเราติดขัดท่านก็แก้ให้ที่ติดขัดตอนนั้นก็คือไปติดที่จะไม่ยึดถืออะไรเลยนะ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 ยังปรุงไม่เลิกอยากบรรลุธรรมไม่ใช่น้อมจิตให้ว่างไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวว่างๆโลง่โลงๆสบายทางเดียวที่จะบรรลุธรรมได้นะต้องมีสติรู้กายรู้รใจตามความเป็นจริงการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าการทํำมิปัสนากรรมฐานหรือบางทีเรียกแบบง่ายๆเลยว่าทําสติปัฏฐาน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 เาว่าสติปัฏฐานเนี้ยท่านสอนมาครอบคลุมกว้างกวา ง, วางเหมาะกับผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายเลยนี่ผู้ปฏิบัติบางคนก็ต้องเริ่มด้วยสมถะก่อนบางคนก็จเจริญวิปัสนาตรงเข้าไปเลยเนะี่ยท่านสอนรวมๆไปก็เลยมีทั้งสองแบบถ้าหากเรารู้กายนะรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใ จ, การ ร, ายใจการรู้ลมหายใจนัลบการรู้ลมหายใจนั้นทําสมถะง่ายนะแต่ทำวิปัสนาค่อนข้างยาก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 เิจาณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะก็ทําสมถะได้ดูจิตก็เป็นสมถะได้ดูกายเพ่งกายนะเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าตรงนี้นก็เป็นสมถะเพ่งลมก็เป็นสมถะจับเข้ากับ น, นิพพานนะพระอริยะเวลาจะทําสม บ, บัติบางอันเรียกภารสม บ, บัติพลสม บ, บัติจับกับ น, นิพพานเมื่อนิพพานเป็นอารมณ์ก็ทําสมถะได้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 จะเห็นแต่มันไม่เที่ยงนะเห็นแต่มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุบ้างเป็นนำมาทำเกิดดับเป็นขณะขณะไปบ้างเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาต้องทําวิปัสสนานะถึงจะเกิดมรรคผลนิพพานเวลาเกิดมรรคผลนะีจิตมันปล่อยวางรูปนำปล่อยวางกายวางใจไม่จะเห็นนิพพาน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 โดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่นะมันจะรู้ทันรูปนามรู้แจ้งเลยว่นนี้ทุกล้วนๆเลยต่อไปรูปนามจะมาดึงดูดจิตให้ไปสนใจใไปรักใคร่ผูกพันไม่มีอีกแล้วเระจิตไม่ไปเกาะไม่ไปยึดถือในรูปนามนะตัณหาจะไม่เกิดคือความอยากให้ไกลให้ใจเป็นสุขความอยากให้กลยให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดอีกนะก็พ้นไปตัณหาไม่มี เมื่อตัณหาไม่มีอีกเลยนะนิพพานก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานึกถึงเมื่อไหร่ก็ปรากฏอยู่ตัวนั้นไม่ต้องเข้าสมาธิเพื่อไปหานิพพานนะนิพพานเต็มบริบูรณ์เต็มโลกธาตุอยู่ไม่เคยว่าวาวาวแบ่งแบ่งนะถ้ายัางต้องกําหนดจิตเพื่อเข้าไปเป็นข่าวข่าวนะั้นเป็นสมถะกรรมฐานนะงั้นแค่มนานัสิการถึงก็เห็นนะไม่ได้จำเป็นต้องไปทําอะไร แต่อย่างพระโสดาสกทาคาพระอนาคานียังไม่ชำนี่ชำนาญในนิพพานเวลาจะรู้นิพพานเนี่ยให้มารู้รูปนามก่อนมารู้ที่กายที่ใจของตัวเองไปรู้จนจิตมันวางนะไม่ไปเห็นนิพพานแต่ถ้าพรวนาสุดขีดแล้วนะแค่มานัสสิการถึงระลึกถึงเนะี่ยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่ตาไม่มีการเข้ากันออกเลย ไม่ใช่ส่งจิตเคลื่อนปุ๊บไปตรงนี้เข้านิพพานถอยจิตออกมาตรงนี้ออกจากนิพพานอันนั้นไม่ใช่นิพพานแะ้วนะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยฉะนั้นจตุพเพชรอยเข้านิพพานแล้วส่งจิตวิ่งปูเลงปูเลงไป <laughs> จิตที่ยังวิ่งไปวิ่งมาได้ใช่ไหมมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งไม่ใช่นิพพานหรอกอยังห่างไกล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 กันดูเวลาลีลาแห่งการนิพพานของพระพุทธเจ้าไวท่านเข้าสมบัติเข้าไปถึงนิโรธสมบัตินะั่นแล้วยังไม่นิพพานท่านถอยกลับออกมานจะนถึงปฐมมชานทะ่ทวนขึ้นทวนลงเนี่ยเป็นการวอมเล่นนะเพราะเวลายังเหลือยังไม่ถึงเวลาจะขาดใจไม่ไม่เล่นไหลท่านเล่นกีฬาทางใจเล่นถึงเวลาจะดับนั้นดับลงระหว่างรูปกับรูปนะั้น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 แต่ปากก็บอกว่าไม่ยึดอะไรสักอย่างใช้ไม่ได้มันจะไม่ยึดได้มันต้องเห็นความจริงไม่ยึดกายได้เพราะเห็นความจริงของกายนะว่ามีแต่ทุกรนุนรวนไม่ยึดจิตได้ก็เพราะเห็นความจริงของจิตว่ามันมีแต่ทุกรนุนรวนเพราะเห็นอย่างนั้นมันถึงจะไม่ยึดไม่ยึดแล้วมันวางพอวางกายวางใจวางรูประวังนามทังก็เห็นนิพพานถ้าจิตหมดความดิ้นรนแสบสาไม่ใช่อย่างพวกเราพอนานนะจิตไหลไปจับในไร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 ที่แท้มันเป็นตัวถูกล้นล้นไะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ไยครับนิมนต์